ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตาราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกื่ยข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการมีพนายจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าทาาชั้นวันหน้าใด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 ในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นไงเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปิงเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดาเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบาง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 เพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้าได้อย่างไรนั้นก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากอย่างไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนมี่พร้อมมีสติขึ้นมายากยั้ง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 ชอบทำโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่สาละการจะายางทำก็เห็นว่าสมควรเกี่ยบเวลาเพราะยุติเพีงนี้ <c oughs>